ท่านผสมเถรารเถรารในมหาสมาคมนี้ซึ่งมีกระเลพระคุณพระราวชวครินาพ์เจ้าวาดวัดมหาพุชาราเป็นต้นเป็นประธานขอเจริพญพอญาติโยมสาธุชนทุกท่านซึ่ง มีท่านศาสตราจารย์พิเศษจำลองทองประเสริฐราชนาิีเป็นต้นเป็นประธานในวันนี้เราได้มาประชุมพร้อมกันเพื่ออำลลาอาลายส่งท่านเจ้าคุณพระพราชาวราจารย์ นรกจิตตะโสภโนขึ้นสู่เชนตะกรคือเมอนอนหมายถึงยอดเขาพระสุมเมนหรือสีรุบนยอดเขาพระสุมเมนนั้นเป็นที่ประดิษฐานสวรรค์ชั้นดาวลึกล บนสวรรค์ชั้นดาวดนึงมีพระเจดีย์จุลามณีบรรจุพระธาตุเขียวแก้วและพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าฉะนั้นใครก็ตามที่สิ้นชีพก็จะมีดอกไม้ ที่สับเปลืเสียบไว้ที่มือเพื่อมุ่งหน้าดำ่อกไม้ไปไหวพระเจดีย์จุฬามณีบนยอดเขาพระสุเมรโดยสัญลักษณ์ก็คืออาคารที่ตั้งอยู่เบื้องหน้าเราท่านทั้งหลายท่านจ้คุณพร ะ, ร, ะราชาได้ขึ้นไปถึงที่นั่นแล้ว ได้สักการะพระเจดีจุฬามณีและไปสู่สุขติสัมปรา ย, ยงโคสตามอำ น, นาจแห่งบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญไว้ในเพศปัณณชิตตลอดชีวิตวันนี้เรามาส่งท่านในเชิงรูปประถับเธอร่างกายของท่าน ขึ้นสู่เขากัซซุเม่และในโอกาสที่มาส่งนี้ก็ส่งใจลำงเลเลื่อถึงบุคคลผู้เป็นกาลยานมิตรเป็นสงัยถ่อมเป็นครูบาอาจารย์เป็นญาติสนิทมิตรสนายสัมพันธ์ชนในานามว่าพระราชา นารมณ์เชิดสูงเนิงจิตตะโสงโหนที่ได้จากพวกเราไปอย่างไม่มีวันกลับหลับอย่างไม่มีวันตื่นไม่มีการฟื้นกลับมาอีกและที่พู ด, พดมา น, นัพูดอยู่ตรงนี้ก็เพราะได้เห็นความแปลกประหลาดของชีวิต ชีวิตมีเรื่องที่เราไม่เข้าใจหลายอย่างและจะเป็นความบังเอิญอย่างไรไม่ทราบหลายปีมาแล้วท่านโยคุณพระราชปาจารย์ตอนนั้นเป็นธรรมานโรคร่วมกับวิทยาเขตนครราชสีมา นิมนต์ผู้พูดนี้ไปปราตการกฐานที่วิทยาเขตนครราชสีมาในโอกาสใดโอกาสเดจํจำไม่ได้แล้วและเมื่อไปพูดในที่ประชุมนั้นเสร็จท่านก็นิมนต์ให้ไปแวะที่บ้านของท่านที่อำเภอขามทะเลสอ จัหวัดนครราชสีมาจำได้ว่าไปนั่งสนทนาคำกับโยมีดาของท่านชื่อแปลกที่ว่าแปลกมาลาคือพ่อของท่านชื่อแปลกโยมแปลกอยากให้ลูกชายคือพระมะหานารงสอบได้ประโยคเก้าสักที แต่ก็ได้แค่ประโยคนแปกก็ถามอยู่นั่นแหละเมื่อไหร่จะได้ประโยคน์้าพระมหาเนรมึงก็บอกว่างั้นไปหาโยมผมหน่อยโยมผมอยากพบพระที่ได้ประโยคนเก้าจึนได้ทาร า, านานิมนธ์ผู้พูดไปพบโยมโยมแปล ก, ก็บอกว่า ฟังท่านเทศทางทีวีบ่อยๆผมตายเมื่อไหร่น้บอนมาเทศงานส่งผมด้วยก็รับปากรับอาราธนาโยงแปลงไปอย่างนั้นแหละไม่ได้ถือเป็นจริงเป็นจักเมื่อโยงแปลงอันเป็นโยงบิดาของท่านเจ้าคุณพระราพาวรรา์นี้บนก็ต้องรับ และประากฏว่าในต่อมาไม่นานนะ 2,534 ท่านเจ้าคุณพระราชาจารย์อาจารย์มหาดรลรก็มาทวงสัญญาว่า ย, ยงปีดาของผมถึงแก่กรรมแล้วท่านรับท่านเจ้าคุณ ตอนนั้นผู้พูดเป็นพระเมธีธรรมาอรท่านเจ้าคุณรับปากว่าจะไปงานไปเทพงานศพก็ขอให้หมดเจิญได้ไปในงานศพของโยมแปลกในปีสอง4ห้า้อยสามสิบสี่ไปกล่าวธรรมการฐานน่าเชิญตะก่อน มีท่านเจ้าคุณมีท่านพระมหาดโรมเจตสโสพนกนั่นฟังอยู่ด้วยมีโยมมานราของท่านคือโยมแม่ทิมนั่นฟังอยู่ด้วยเหตุการณ์ก็ผ่านไปต่อมาในปี2544 ท่านเจ้าคุณตอนนั้นเป็นพระสุธีวรยาก็มาพบอีกโยมารดาของท่านสิ้นชีวิตถึงแก่กรรมขอนิมบนท่านเจ้าคุณไปเทศในงานศพก็รับปางอีกไปที่โคราชไปพูดอย่างนี้เลย หน้าเชิงตะกรเหมือนกันก้อนเผาศอเราเรียกว่าท ร, รมักรขาหน้าเชิงตะกรนกในใจว่าไปเทศเพื่ อ, อคนฟังที่สำคัญที่สุดคือลูกซึ่งมีหลายท่านแปดท่านและหนึ่งในนั้นก็คือท่านเจ้าคุณรสุดีวรยาน ถวายธรรมะแดท่ท่านท่านก็นั่้ฟังเหตุการณ์ก็ผ่านไป 2,544 วันนี้มานั่งพูดวังเวงเจ้ากหันหน้าไปทางเจ้าคุณพระประวราจารย์ด้วยจงใจงว่าผู้พูดก็มาอีกแล้วรอบที่สาม แต่ไม่มีท่านเจ้าคุณพระราพวราจารมานั่งฟังเหมือนสองทันก่อนไม่มีการที่จะได้รับนิมนตต่างจากท่านเจ้าคุณพระราพวราจารแล้วเพราะท่านนอนสงบนิ่งไปแล้วนอนสนุนนิ่งอยู่เบื้องหน้าเราท่านทั้งหลาย แม้จากไม่พูดแม้จากไม่สอนท่านก็ยังเป็นอาจารย์ของพวกเราสอนธรรมะด้วยการนอนนิ่งๆไม่พูดไม่จาท่านสอนว่าอย่างไรท่านสอนว่าร่างที่นอนในลงอยู่ตรงหน้าแต่ก่อนมาท่านก็เป็นเหมือนเช่นฉัน อย่างที่ท่านนอนอยู่ไซดในโลงนั้นไม่ช้าพันท่านก็ไม่ช้าพั น, น, พนฉันก็เป็นเช่นท่านเอ่ยเพราะฉะนั้นอย่ามานั่งอยู่เฉยๆลังเลึกนึกถึงปฏิปทาคุณนางความดีที่ท่านได้สร้างสร้างสมไว้เป็นแบบเป็นอย่าง เพื่อเราจะได้มาเป็นกำลังใจมาเป็นทิศฐานุคติที่ดำเนินตามรอยคนดีที่อยู่นั่งเราจะได้เป็นสารภูมนรธรรมมีสารภูมนรธรรมกับเขาด้วยคือยานตานุญายีเดินตามรอยคนดีที่เดินมาแล้วคนดีที่เดินมาแล้วนอนอยู่เบื้องหน้าเรา เชื่อจิงว่านรมนามสกุลเชิดสูงหนึนงถือกำเนิดเกิดขึ้นมาในโลกนี้เมื่อวันที่สิบสองกุสิบสองกุมภพามันสองพันสี่ร้อยแปสิ้าจำง่ายๆว่าท่านเกินหนึ่งปีก่อนเปิดการศึกษาในระดับอุดมสศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหลังจากที่ท่านเกินมาได้หนึ่งปีวันที่สิบแปดกรกฎาคมสองพั 90, นสี่รอยเก้าสิบคณะสมฝ่ายมหานิจัยจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่วัดมหาธาตุเรียกว่าเปิดการศึกษามหาวิทยาลัยส เดือปีหลังจากที่ท่านเจ้าคุณนรงถือกําเนิดขึ้นมาอายุของท่านเจ้าคุณจึงสอดคล้องกับอายุของมหาจุฬาชีวิตของท่านเจ้าคุณจึงเรียงร้อยกับความขึ้นขึ้นลงลงของมหาจุฬาซึ่งเป็นเรื่องที่แปลเอกเหมือนกันเมื่อท่านเจ้าคุณลนะ ล่าปวราจากถือกำเนิดเกิดขึ้นมาจากครอบครัวที่อยู่ในศีลในธรรโยมีดาแปกนั้นเคยบวชสอบได้นักธรรมชั้นตรีอยากจะให้มีลูกชายโยในผ้าเหลืองเป็นศาสนาทายาทเจรับ ส, สนุนให้เด็กชายนรงเข้าบวชบรรพชาเป็นสามเณร ในพระพุทธศาสนาท่านเจิงได้มาบวชเป็นสัมเนรเด็กชายนารงบวชเป็นสัมเนรนรงเมื่ออายุสิบเอดปีเท่านั้นบวชอายุสเิเอปีสอบได้นักธรรมที่โคราชแล้วก็ย้ายเข้ามาเรียนบาลีที่วัดมหาพฤทารามวัดตะเคียนสอบป ร, ริญญาธรรมได้เรื่อยๆอรปสมบทที่นี่ เรียนมหาจุฬาไปพร้อมกันจนกระทั่งเรียนจบ ม, มหาจุฬาเป็นพุทธศาสบัณฑิตในปี2515เราเราที่เป็นชาวมหาจุฬาก็พอจะทราบว่าในปี2515นั้นสถานะมหาจุฬายังเป็นมหาวิทยาลัยเทือน ปริญญาบัตรยังไม่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลแต่ในปี2515นั้นปริญญาบัตรได้รับการรับรองจากคณะสงฆ์ตั้งแต่พุทธศักราช2512โดยคำสั่งมหาเถระสมาคมในปี2512รับการศึกษาของมหาจุฬามหากุฒ เป็นการศึกษาของธณศสงฉะนั้นท่านเจ้าคุณนรงเรียกง่ายๆว่าเจ้าคุณนรงเจริญอยู่ในยุคที่มหาจุฬาเป็นมหาวิทยาลัยส่งก่อน2512ยังไม่ได้เป็นมหาวิทยาลัยอะไรของไทยแต่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาฉะนั้นถ้าจะแบ่งยุคของมหาจุฬา ตามแบบที่เขากำลังแบ่งประเทศไทยในปัจจุบันออกเป็นสี่ยุคเรียกว่าไทยแลนด 4.0 โดยแบ่งประเทศไทยออกเป็นสยุคยุคปัจจุบันเรียกว่ายุค 4.0 มหาจุลาก็แบ่งเป็นสยุคด้วยกันยุคที่หนึ่งเรียกว่ามจอร 1.0 เป็นยุคที่เริ่มก่อตั้ง เริ่มสถาปนาโดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุลาลงกรณ์พระจุลาจรรเกลเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงสถาปน า, า, ามหาจุลาในปี2530เปิดการศึกษาครั้งแรกวันที่8พฤศจิกายน2432ในานามมหาาวิทยาลัย แล้วก็เรียนบาลีตั้งแต่นั้นมาแม้จะทรงเปลี่ยนนามเป็นมหาจุฬาลงกรณุราชวิเชียรในปี2439วันที่13กันยายนก็ยังไม่ได้จัดการศึกษาที่เป็นไปตามพระราชบณญญานรัชการที่5ที่ว่าเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง คณะสงฆ์วัดมหาธาตุยันคงจัดการศึกษาพระไทยปิโกคือเรียนบาลีเรื่อยมาจนปี2549จึงเป็นยุคที่สองเรียกว่ามจร .2.0 เริ่มในปี2496 18กรกฎาคมปีนั้นจัดการศึกษาในรูปมหาวิทยาลัย เม้จากเป็นการสื่อสารในระดับบาลีอบรมบาลีมัธยมแต่ก็ถือว่าเริ่มศักราชใหม่เราเรียกว่ามจร .2.0 ในช่วงมจร .2.0 นี้อาจจะเรียกว่าเป็นยุคมหาวิทยาลัยสงเพราะจัดการสื่อสาเรื่อยมาจนคณะสงรับรองให้เป็นมหาวิทยาลัยสง ในปี2512และท่านเจ้าคุณนรงก็จบการศึกษาในปี2515เรื่อยมาจน2527ท่านบริหารมหาจุฬาหลังจากนั้นจน2527เข้าสูย่ยก ม, มจรอ 3.0 เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ คือรัฐบาลรับรองปริญญาบัตรโดยพระราชบัญญัติกำหนดวิทยาฐานะผู้สำเร็จการศึกษาวิชาการพระพุทธศาสนา 2,527 ขรมมีศักดิ์และสิทธิสมบูรณ์เกิดวิทยาเขต10แห่งนับจากนั้นหมักอย่างรวดเร็วและท่านเจ้าคุณ พระราชฎรปราวาร์มีบทบาทสำคัญมากตั้งแต่ท่านเข้ามาบริหารจนมาถึงช่วงนั้นและหลังจากนั้นสุดท้ายเรามีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย2454 0แต่ก็ยังถือว่าอยู่ในยุค 3.0 มหาจุฬาเข้าสู่ยุคมจร .4.0 เมื่อเราอาสาสมัครจากวนรบุธิสังริจจัดประชุมชาวพุทธระดับโลกเป็นขั้นแรกเราเข้าสู่เวกีนานาชาติเป็นมจรอุคเรียกว่ามหาจุลาเป็นมหาเวทยระดับนานาชาติเราเริ่มเข้าสู่ยุคนี้ในปี2543มจร .4.0 เราจัดการประชุมวิทยุิสสัมมิตสุดยอดผู้นาชาวพุทธเราจัดประชุมเยาวชนเยาวชนเพื่อสันติภาพโลก 2,545 เราไปประชุมที่สหรประชาชาติ 2,547 และได้เป็นเจ้าภาพจัดวิสาขบาูชาโลกตั้งแต่ปัจจุบันเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน เราเรียกว่าเราท่านทั้งหลายอยู่ในยุคโมจรอหรือ MCU 4.0 จนกระทั่งมีวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติที่มหาจุฬาได้ก้าวกระโดดจากยุคมหาวิทยาลัย 2.0 จนกระทั่งมาเป็น 4.0 เสื่ออท่านเจ้าคุณพระราชรวราจารยร์ นรจิตจตเสาโน ม, มีส่วนอยู่มากเพราะว่าท่านเป็นผู้บุกเบิ่งรูปสำคัญเรื่องหึงในการออกไปสู่ความเป็นสาตนไปสู่ความเป็นนานาชาติเป็นผู้บุกเบิ่งอย่างไรก็ขอเล่าท่วนี้ว่าเมื่อท่านเจ้าคุณพระราพวราจารจบการศึ่อาปริญญาตรีพุทธศาสตร์บัณฑิต 2,515 ท่านเป็นอาจารย์สอนพันธีโดยฝึกปฏิบัติงานอยู่ที่นั่นที่โรงเรียนบารีอบรมศึกษาจากนั้นท่านลาไปยกเครื่องความรู้ไปเรียนต่อปริญญาโทจนจบเอ็มเอจากมหาวิทยาลัยหม่ซอในปี 2,518 2,518 จบปริญาโทเป็นมหาภัคมหาหนุกมมาสอนมหาจุฬาเป็นเป็นดาวเด่นดวงหนึ่งของมหาจุฬาที่ใครได้ไปเรียนแล้วมีความสุขสนุกสนานและต้องการดำเนินตามปฏิบัาิธของท่านเป็นภาคหนุ่มไฟแรงและท่านก็เป็นอาจารย์สอนอยู่มหาจุฬา่วยการดีออกเทศออกสอนสร้างชื่อเสียงให้กับมหาจุฬาในช่วงนั้น จนกระทัานผู้บริหารให้ความไว้วางใจเจริได้แต่งตั้งท่านให้ดารงตำแหน่งผู้บริหารในตำแหน่งแรกเป็นผ อ, อเป็นผู้อำนวยการในปี2520ตำแหน่งแรกที่ท่านรับในฐานะผู้บริหารก็คือผู้อำนวยการวิรทยาลัยดูศาสนศึกษา เป็นวิทยาลัยครูที่เรียนแค่ระดับอนุปริญาปสอสสูหรือพมแล้วจึงจะไปเข้าคณะคารุศา์ในปีสาปี4ีอีกทีหนึง่งในสมัยนั้นเขายังมีพมยังมีพสอสเหมือนประสามิเตเละก็รับพวกจบปอสพมไปเรียนกันในปีสาปี4 มหาจุลาก็มีวิทยา ล, ลัยครูศาสนศึกษารเหมือนวิทยา ล, ลัยครูทั้งต่อมาทั่วประเทศกลายเป็นมหาวิทยลลาลัยราชภัฒน์เมื่อเรามีคณะคารุศาสต์วิทยา ล, ลัยครูาศาสนศสื่อสารก็ถูกยุบไปท่านเจ้าคุณพระราชาวราจารย์ก็ได้รับแต่งตั้งให้มาเป็นคณะบดีคณะพุทธศาสตร์ ในปี2522ท่านเป็นคณะบดีคณะพุทธศาสตร์เอตุที่ท่านเป็นคณะบดีคณะพุทธศาสตร์ในสมัยนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะสางหวนไว้สำหรับผู้ที่จบประโยค9เท่านั้นผู้ที่จบประโยคเก้าจนมักจะได้เป็นคณบดีคณะพุทธศาสตร์แต่ท่านเจ้าพุทธพระร า, ราจารพิเศษตรงที่ ก่อนหน้านั้นหนึ่งปี 2,521 เท่านสอบป ร, ริญญาธรรมแปประโยคได้ในสำนักวัดมหาพุท ธ, ธารามวัดแห่งนี้นั่นเองเรียกว่าแม้จะเรียนจบมหาโจรามาตั้งแต่ปีหนึ่งหไปเรียนต่อปริญญาโทจบ ม, มาแล้วยังไม่ละ ก, การศึกษาภาคป ร, ริยธรรมแผนบาลีเป็นแบบอย่างที่ดีของพวกพจรอทั้งหลายดูอย่างอาจารย์นรงค์ จบพธบและจบปริญญาโทแล้วยังมาเรียนระโยก8จนได้ในปี2521ทางผู้บริหารประทับัจปี2520หลังจากท่านได้ประโยคน์แปประเคตตำแหน่งคณะพุทธศาสตร์เพราะว่าท่านได้ประโยคน์แปนี้ให้เป็นคณะบรีคณะพุทธศาสตร์เรื่อยมา จนกระทั่งในปี2524เห็นหน่วยการท่านดีเลื่อนตาแหน่งท่านเป็นรองเลขาธิการปัจจุบันนี้เทียบเท่ากับรองอธิการบดีสมัยนั้นบริหารด้วยเลขาธิการอาธิการบดีไม่ได้นามาทางานบริหารเป็นตาแหน่งเรียกว่าบังคับบัญชาโดยที่มีแม่บ้านกัดกรอง แม่บ้านกันกรกลองให้อธิการบดีก็คือเลขาธิการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็มีเลขาธิการในมหาจุฬาก็มีเลขาธิการถ้าเทียบในสมัยนี้อธิการบดีเหมือนรัฐมนตรีเลขาธิการเป็นแม่บ้านคือปหลัดกระทรวงเพราะฉะนั้น เลขาธิการทํางานแทนอธิการบดีซึ่งสมัยนู้นอยู่ที่จังหวัดนครนายกท่านเจ้าคุณนครท่านพระมหานครเขมาปารีได้ก็ซึ่งต่อมาเป็นพระราชนโบรบาลีเนี่ยวัดมหาธาตุเป็นเลขาธิการมีความไว้วางใจในผลงานของท่านเจ้าคุณพระราชาวรราชจาร เลื่อนจากคณะบรีคณะพุทธศาสตร์ให้เป็นรองเลขาธิการฝ่ายกิจการนิสิตและที่เป็นตำแหน่งรองเลขาธิการฝ่ายกิจการนิสิตนี้เพราะมีงานที่ถาถ่ายมากช่วงนั้นบัณฑิตใหม่ประท้วงมหาวิทยาลายัยที่ออกและเบียงให้บัณฑิตใหม่ยังรับปริญญาไม่ได้ต้องออกไปปฏิบัติศาสารกิจในชนบท ผ de ja ู้ประเทศเป็นเวลาหนึ่งปีจึงจะรับปริญญาได้บัณฑิตใหม่นิสิ์ทั้งหลายประท้วงกันไม่เอาไม่พอใจทำไมต้องมาบังคับให้ไปปฏิบัติศาสนกิจอีกหนึ่งปีแต่ได้คนกลางที่นิสิตยอมรับชื่อพระมหานรงจินตโสพโนนี่แหละมาเป็นกันชนให้ระหว่างผู้บริหารกับนิสิต กอง น, นิสิตจะอยู่หมัดยอมไปปฏิบัติาศาสนากิจ์หนึ่งปีทั่วประเทศทรงนิสิตไปปฏิบัติาศาสนาเกิจ์หนึ่งปีเป็นดาวกระจายและต่อมาก็จัดโครงการอบรมหรือบรรพชาสามาาัชย์ภาครดร้อนโดยเอานิสิตอาสาไปปฏิบัติาศาสนากิจในด้านนี้บวชสามาัชย์ภาครุ ร, ร้อนกันทั่วประเทศ ทำให้มหาจุลานั้นเป็นมหาวิเลยระดับรากญากเข้าถึงประชาชนไปทุกคนทุกแห่งมีนิสิตไปฝังตัวปฏิบัติงานซึ่งปัจจุบันเราเรียกว่านิสิตปฏิบัติศาสนิก ก, ก็คือฝีมือท่านเจ้าพุนรงค์นี่แหละในยุคนั้นร่วมกันกับอธิการบดีพระราช ล, ลัตนาบุรีโรมการบรรพชาสมภิโทท่าร้อน ทำให้มหาจุฬาเป็นมหาวิลัลของประชาชนโดยประชาชนเพราะพ่อแม่ปู่ย่าตายายอยู่ชนบทส่งลูกมาเรียนมหาวิไลส่งและเมื่อเรียนจบก็กลับไปบริการวิชาการแก่สังคมในชนบทเป็นที่ยอมรักเป็นที่เชื่อถือไม่ใช่เฉพาะชุมชนประชาชนแต่ประสันกาธที่การทั่วไป เห็นฝ <it> <of> ีมือหน่วยก้านของบัณฑิตมจรท์ถามว่าเมื่อไรจะส่งไม่อีกล่ะขอกันมาทุกปีส่งไปไม่เพียงพอนับแต่นั้นมานี่ก็ถือว่ามหาจุฬาได้เรียกว่าอันสวินขี่ม้าขาวและราชปวราจารนรง์จิตโสพโนนี่แหละมาเป็นรองเลขาที่ต่างฝ่ายกิจการนิสิตทำให้กิจการนิสิตบูมมาก ใครเป็นรองฝ่ายกิจการนสิทิเรียกว่าเป็นหน้าเป็นตาของมหาจุฬามานั่นแต่นั้นแต่ก่อนนั้นไม่มีใครอยากเป็นไม่มีใครรู้จักเราะว่าเป็นหนังหน้าไฟให้นิสิทธิยกลําโพงอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือเลยแต่กลายเป็นว่าอาจารย์มหาธรงเนี่ยสร้างสัมพันธภาพทัศน์มตรีที่ดีแล้วหวานผู้บริหารกับ น, นิสิทําให้มหาจุฬากลายเป็นมหาวิไลของปูนชน มาตั้งแต่นั้นมา 2,524 ท่านเป็นเป็นรองอาิการรองเลขาธิการฝ่ายกิจการนิสิตแล้เป็นบรรณาธิการพุทธจักรนติตยสารรายเดือนของอันเก่าแก่ของมหาจุฬาและช่วงนั้นผู้พูดเนี่ยไปเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเดลีท่านบรรณาธิการพุทธจักรก็ถามว่า เมื่อไปเรียนวิชาปรัชญาแล้วนะทาไมไม่เขียนมาลงพุทธจักรบ้างเขียนปรัชญาให้มันาน ง, ง่ายๆก็เลยสนองศรัทธาของท่านผู้พูดก็จึงเขียนบทความเรียกว่าปรัชญากรีส่งมาลงพุทธจักรทุกเดือนอตามคาเรียกร้องของบรรณาธิการคือพระมหานรง์และเราก็ติดต่อกันทางเรียกว่าไปรษณีนะถึงอยู่ต่างประเทศ ก็เป็นสาขาย่ำที่สนับสนุนกันเอาบทความลงพุทธจักรทุกเดือนและบทความเหล่านี้ต่อมาได้รวบรวมพิมพ์เป็นเล่มครั้งแรกในปี2532เรียกว่าปัญญากรีโบราณไม่จบเขียนได้ครึ่งเดียวก็เรียนจบมาเสียก่อนตอนหลังเขียนจนจบ ได้เป็นปัญญาตรีนะบอกเกิดภูิปัญญาตะวันตกขายดิบขายดีมาจนปัจจุบันนี้ผิงทั้งที่แปลแล้วจนมีส่วนทันให้ผู้พูดดิบเป็นสารตราจารด้านปรัช ญ, ญากับเขาด้วยอันนี้ก็มาจากคําอาราธนาของท่านเจ้าคุณพระราชปวรติจารนรงค์เนี่ยวันนี้มาขอบคุณท่านตรงที่อยู่ในโรงแล้วนี่เองทีนี้หลังจากนั้น ความร่วมมือกันก็ยันไม่จบแม้ไปอยู่ต่างประเทศอยู่ที่มาวัยมหาวิลัลเดลีก็มีโอกาสกลับมาประเทศไทยเป็นระยะมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาฉลอง200ปีกรุงเทพมหานครก็ได้กลับมาในปี2535ในภาคสัมเมอร์นะในฤดูร้อน วันหนึ่งรองเลขาธิการมหาจุฬาชื่อพระมหานำรงได้ไปหาที่วัดบอกท่านมหาประยุนท่านอาธิท่านเลขาธิการให้มาชวนมานิมนต์ไปประชุมต่างประเทศด้วยกันนะตอนนั้นผู้พูดยังไม่ได้เป็นนิไม่ได้เป็นนิสิตในระดับปริญญาโทปริญญาเอกของมหาจุฬาไม่ได้เป็นผู้บริหารไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ เป็นแค่ผู้ไปเรียนต่อปริญญาเองแล้วกลับมาที่ประเทศไทยปรากฏว่าท่านพระมหานครเขมาปาลีมองอย่างไรไม่ทราบสมท่านพระมหานรงไปมบไปนิมนต์บอกไปประชุมต่างประเทศด้วยกันไปประชุมกันสามรูปก็คือท่านเลขาธิการ ท่านลองเลขาธิการและกรรมมหารประยุทธ์เนี่ยซึ่งไม่ได้เป็นจ้าหนที่ครูบาอาจารย์ก็เป็นนิสิตอยู่อิเลโอโดอนถามว่าไปประชุมที่ไหนท่านก็บอกว่าไปประชุมที่กรุง ม, มอสโกอ่ะมอสโกตอนนั้นเป็นเมืองหลวงของสาภาพณรัฐโซเวียตเป็นแม่ทายของคอมิวนิสเอแล้วจะไปประชุมกันเรื่องอะไรล่ะท่านก็บอกว่า อย่าไปบอกใครนะเราไปกันเงียบๆนะปี 2,525 นะยังเป็นโลกคอมมนิสต์กับโลกเสียรียอยูออ่วันนี้มาเปิดเผยอย่างเป็นทางการเพราะท่านบรณนภาพไปแล้วทั้งสองลูกท่านเจ้าคุณท่านมหานเลรงบอกว่าไปประชุมในเรื่องภาษาอังกฤษว่าอย่างนี้ world conference r i c h a r workers for saving sacred l i f e พรอมนิเครียดกัแทสโซฟีแปลว่าเป็นการประชุมผู้นำนักศาสนาระดับโลกเพื่อช่วยชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์จากามหาหายนาไทยดิวเคลียร์สรุปแล้วก็คือประชุมเพื่อต่อต้านอาวุธนิวเคลียร์เอาเอาสิไปอย่างนี้มันด้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปแล้วมีแต่ผู้นาศาสนา90ประเทศนะ ในสมัยนั้นจับได้ว่า90ประเทศทั่วโลกไปประชุมอย่างเราก็ไปด้วยเรียกว่าเป็นการเปิดตัวไปสู่เวทีนานาชาติหลังแรกและได้รู้ได้เห็นระดับโลกมาตั้งแต่อายุน้อยๆท่านคางจะเห็นหน่วยก้านของผู้พูดว่าวันหนึ่งอาจจะได้มาจัดประชุมระดับโลกเพราะฉะนั้นกล่าวไว้ตรงนี้ว่าการที่ผู้พูด ได้จัดวิสาขบูชาโลกได้เป็นประธานสมาคมมหาวิไลพุทธศาสานานานาชาติในปัจจุบันได้เป็นประธานสภ า, าส า, าธารวิสาขบูชาโลกซึ่งเป็นองคอ์กรที่เป็นสาพิเศษของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมสหรประชาชาติในปัจจุบันเริ่มต้นโดยกัลยาณมิตรชื่อนะรงจิตนตโสมพโนเป็นพระมหาธารมไปนิมนต์วันนั้น ทำให้หูกว้างตากว้างบินสู่เวทีโลกตั้งแต่อายุยังน้อยอยังเรียนไม่จบปริญญาได้แสดงฝีมือในระดับโลกจนเป็นที่ยอมรับตั้งแต่อายุน้อยๆแต่หนัก น, นี่เรียกกันว่าเพชรนินจินดา น, นั้นมันต้องมีคนเจรไนแล้วอย่าแต่อย่าจะพูดอย่าพูดแต่เรื่องเพชรเรื่องพลอยโดยลืมคนเจรไน ผลเจรไนคือใครเราต้องจดจำมหาจุลามีเพชรหลายเม็ดมีอัญญายมณีมากมายท่านเจ้าคุณพระราชบวราจารก็เป็นอัญญามณีอันงดงามที่ประดับมหาจุลาของเรามหาจุลาไม่ได้สร้างจากเพชรอย่างเดียวจารปอยจากมรกตจากรายจากดินด้วย ดังคำประพันธ์ของอังคานกาลยานพงที่ว่าโลกนี้มีอยู่ด้วยมะดีเดียวนะสายและสิ่งอื่นมีส่วนสร้างปวงธาตุตำารานดีดุยลรยภาคภาคจักรพานมิร้านเพราะน้ําแหล่ไหนโลกนี้มันไม่ได้อยู่ด้วยเพชรด้วยมหอัญมณีหรือด้วยสิ่งใดสิ่หนึ่งหรือด้วยสายมาันลวกกันหมด เพราะฉะนั้นมจรรรวมร้อยพ่อพันแม่ทั้งในประเทศต่างประเทศมาเป็นมหาจุฬาในปัจจุบันเป็นมจร .4 0ก็เพราะอัญมณีอย่างที่ระดับมหาจุฬาอย่างพระมหานรุงจิตโสพโทนี้แหละขอเล่าต่อว่าเมื่อปี2525เราไปประชุมระดับโลกด้วยกัน12วัน ได้รู้ได้เรียนอะไรต่างๆมากมายมีประสบการณ์แต่เราก็ไม่บอกใครนะเพราะตอนนั้นพวกมันแยกออกมาจนกระทั่งผู้พูดเดี๋ยวเรียนจบแล้วท่านก็ยังประชุมกันต่อไปประชุมทีเ่เคยไปประชุมที่อุรังบาตอที่บองโคลเลียก็เคยไปท่านไม่ไปก็ส่งไปประชุมแตง แล้วก็ไปไประชุมอื่นๆแต่ว่าตอนหลังแยกกันเดินท่านเจ้าคุณระมหานครรัมหานรงนี่ไปไประชุมในโลกสังคมนิยมแต่ผู้พูดไปไประชุมในโลกเสรีเรียกว่าแยกกันสร้างอันกมิตร ไปไประชุมที่เกาหลีใต้และผู้พูดเนี่ยไปไประชุมที่อเมริกาและบุกเบิดในอเมริกาไปเทศไปสอนที่นั่นเป็นประจำทุกปีมาจนปนัดนี้นี่เรียกว่าก็โดยการส่งเสริมของท่านพระมหานรงค์นี่เองในปี2528ผู้พูดเรียนจบด็อกเตอร์ปริญญาเอกกลับมาในเดือนพฤศจิกายน 2,528 เพราะจบมาได้ไม่กี่วันเท่านั้นแหละพระมหานรลงไม่ให้อยู่เฉยๆท่านพระมหานรลงไปนิบนบอกว่าไปแสดงปาตกรฐาหน่อยถามว่าไปที่ไหนละ่ะที่ธรรมศาสตร์ตอนนั้นพระมหานรลงเจตโสพระโนไปจัด ก, กิจกรรมที่คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะหาคนแสดงปาตกระถาและพบไปเห็นฝีมือกันที่ต่างประเทศเจึงได้นิมนต์ไปแสดงปาตกระถาเป็นครั้งแรกของผู้พูดนีที่แสดงปาตกระถาหลังจากจบด็อกเตอร์ในวันที่22พฤศจิกายน2 5ง8ัอ่อในวันที่27พฤศจิกายน2 5ง8 ผูพ้พูดได้แสดงปาฐกาถาหลังจับจอบด็อกเตอร์เป็นครั้งแรกโดยการส่งเสริมและอาราทนาของพระมหาเนรลงนี่แหละการพูดในครั้งนั้นในหัวข้อชื่อว่าสถาบรรษัทกับสัย์ภมไทยสถาบันรษัทกษัตริย์ภูมไทยได้รับการถอดเทมออกมาพิมพ์เผยแพร่แพร่หลายพอสมควรทำให้ผู้พูดพีด ก, กลายเป็นนักแสดงปาฐกาถาธรรม ก่อนเพราะว่าการยานามิตรชื่อนรงจิตโสพโนอีกแล้วทีนี้ต่อมาเราก็ได้ทำงานร่วมกันพอจบมาก็มาเป็นอาจารย์สอน 2,529 ฐานาธิการบริณพระมหานครแต่งตั้งผู้ผู้นี้เป็นผู้อานวยการกองวิชาการจึงในฐานะผู้อำนวยการกองวิชาการ ได้ลากหลักสูตรปริญญาโทให้กับมหาจุฬาเป็นหลักสูตรวิชาเอกพระพุทธศาสนาหนึ่งหลักสูตรหลักสูตรวิชาเอกปรัช ญ, ญาอีกหนึ่งหลักสูตรพอล่าเสร็จแล้วท่านพระมหานรงค์ก็บอกว่านี่ท่านประยธ์ผมสนับสนุนนะพอท่านล่าหลักสูตรเสร็จผมจะไปอภิปรายในกรรมาการบริหารงานบุคคลกรรมาการบริหารว่าให้ท่านเนเป็นคณะบดี บัณฑิตวิทยาลัยท่านมาพูดอย่างนี้ในปี2500ต้นต้นปีอันปลายปี2529เพราะหลักสูตรเสร็จมา2530มหาวิทยาลัยประกาศใช้หลักสูตรโดยสภ า, ามหาวิทยาลัยปลวาบอว่าไปมอบให้คณะบดีคณะพุธศาสตร์และสาการคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัย ไ, ไม่มอบหมายให้เราเป็นอย่างนั้นหละ นะคนล่างหลักสูตรไม่ได้เป็นไม่ได้ทำอะไรท่านพระมหารองก็มาขอโทษบอกว่าผมอภิปรายสู้เขาไม่ได้ท่านก็เลยไม่ได้เป็นอะไรอยู่มันตรงนี้ไปก่อนสเสร็จแล้วต่อมาผ่านไปหนึ่งปีไม่มีอะไรขยับขยื่นท่านพระมหารองก็บอกว่าเขินอยู่ที่คณะพุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยไม่เกินเพราะเขาไม่สนใจเอาหลักสูตรไปดองซะอย่างนั้น เอาอย่างนี้ก็แล้วกันผมไปคุยกับเลขาธิการบดีว่าเปิดบัณฑิตวิทยาลัยเลยตั้งบัณฑิตวิทยาลัยแล้วให้ท่านบัณมาาประยุนนี่แหละเป็นคณะบตีบัณฑิตวิทยาลัย ร, รูปแรกผู่ก่อตั้งเพราะในไหนก็ทำหลักสูตรมาแล้วก็จะมีคำสั่งตั้งบัณฑิตวิทยาลัยในปี2 0 3 0 แล้วแล้วจึงตั้งรับมหาปรูลทางพระจิตโตเป็นคณะบดีรูปบบรกรคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นรูปแรกนะไม่ใช่รักษาการหรืออะไรต่างๆเป็นคณะบดีบัณฑิตวิทยลัยเปิดการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยในปี2531โดยที่ปริญญายังไม่ได้รับรองแต่มีผู้มาสมัครเข้าเรียนตั้งประมาณเยอะมาก สอบสัมภาษ์เหลืออยู่29รูปในรุ่นแรกนี้สิทธ์รุ่นแรกที่เรียนจบปัจบันนี้เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการคือท่านจะคุณท่านจะคุสองจีนเป็นชั้นลางแล้วชื่ออะไรจำไม่ได้ภาษีคัมภีรยานี่แหละนี่รุ่นแรกทีนี้พอเป็นคณะบดีบัณฑึกวิยไลบันทึกวิไ ล, ลัยเจริญลุกเรือง น, นะจัดอภิปรายกันจัด ก, การสัมมนากันมากมาย ท่านจะคุนรมณ์ตอนนั้นเป็นแค่ปริญญาโทอยากจะสอนบัณฑิตเบี้ไหลแม้มันอปริญญาโทมันสอนปริญญาโทมันไม่คือนะภาษาของท่านท่านเลยลาลาไปเรียนปริญญาเอกนี่เป็นเหตุให้ท่านไปฝึก เ, เพิ่มวิชาของท่านไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเดลีมหาวิทยาลัยเดลียูนิเวอร์ซิตี้ออฟเดลีที่ผู้พูดเรียนจบมานั้นแนะแต่เรียนคนละ ดิพเน้นผู้พูดเรียนจบภาควิชาปราัชญาท่านจะคุณนรงไปเรียนภาควิชาบุ d ิสต t s t u ี y ก็คือพุทธศาสตร์ท่านลาไปเรียนก็ถามท่านเอ้แล้วทำไมไปเรียนต่อละ่ะเป็นผู้บริหารมาดีๆทำงานมหาจุฬากันกำนลังเขาเรียกไปได้ชฉวเลยท่านบอกว่าไอ้ด้านบริหารนั่นบดนีแต่วิชาการมันตัำนะจะสอนปริญญาโทเป็นต้องจบปริญญาเองนะ สมัยที่ยังไม่ได้เปิดปริ ญ, ญาโทสมัยอย่างที่ยังไม่มีด็อกเตอร์เยอะๆนี่ผมเนี่ยแหละปริ ญ, ญาโทเนี่ยมันกู้นะในมหาจุฬาเนี่ยเด่นทีเดียวนะใครมานิมนตผู้บริหารไปเทศต้องมาเอามหาหน้โรงไปเทศแต่ตอนหลังมันมีด็อกเตอร์จบ ม, มาเยอะนะเขาชักมองข้ามผมอ่าเพราะฉะนั้นท่านก็อ้างสโลปสันสเตนะท่านเก่งสันสเตร็คมันกัดจำสโลปไม่ได้แต่จาคําแปลได้ ตโลกสันติสุขที่ท่านอ้างให้ฟังเนี่ยมีใจความว่าอย่างนี้ในทะเลทรายเมื่อไม่มีต้นไม้อื่นใดต้นระหุงก็เป็นเจ้าป่าได้ท่านบอกว่าในยุคหนึ่งในมหาจุฬานี่ผมเป็นเจ้าป่าเพราะมันเพราะว่าผมเป็นต้นระหุงในทะเลทรายแต่ตอนหลังมหาจุฬามันจเจริญงอกง้ำนะมันเป็นป่าดงดิบแล้วจริงๆต้นระหุงต้องไปเรียนต่อว่าแล้วท่านก็ไปเรียนที่เดลีนะ ไปเรียนจนจบด็อกเตอร์มานี่หลายท่านอาจจะไม่ได้ไม่ได้รู้ลายในเรียนว่าทำไมท่านไปเรียนก็ขอเล่าวันนี้เมื่อท่านไปเรียนจบด็อกเตอร์มาตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตเนี่ยซึ่งท่านเป็นตั้งแต่ปี2 5 3 0คือ2 5 2 4เป็นรองเลขาธิการฝ่ายกิจการนิสิต ในปี2530อาธิการบดีที่นครนายกบรณภาพเราก็เลยได้อาธิการบดีรูปใหม่ชื่อนภาหานค ร, รเขมาปาลียุคตำแหน่งเลขาธิการและรองเลขาธิการ มีตำแหน่งอธิการบดีมาแทนและตั้งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตขึ้นมาโดยประมหารรม์นั่นเนองเปลี่ยนจากรองเลขาธิการเป็นรองอธิการบดีเรื่อยมาจนกระทั่งลาไปเรี้ยงต่อปริญญาเองที่มหาวิทยาลัยเดลีจบออกมานั้นปรากฏว่าตำแหน่งรองเลขาธิการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต โดนรุ่นหลังยึดไปแล้วนคนรุ่นหลังเนี่ยเป็นรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตยึดตำแหน่งแน่นไม่ยอมออกเพราะฉะนั้นเขาก็มีผลงานไม่แพ้ครูบาอาจารย์เจิงจะต้องให้ท่านไปเป็นรองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพ่ในปี2536เป็นอยู่หนึ่งปีเป็นอยู่พักหนึ่งปีเดียว ให้ก็ขอให้ท่านมาเป็นเนื่องจากว่าผู้พูดนี่ได้มาเป็นรองอธิการบดีฝ่ายฝ่ายวางแผนและเป็นรองอธิการบดีฝ่ายวาิฝ่ายวิชาจะเป็นคณะบดี บ, บัณฑิตวิทยาลัยด้วยเป็นทั้นคณะบดี บ, บัณฑิตวิทยาลัยเป็นทั้งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนงานมนันหนะักท่านอนธิการบดีพระมหารัชกรก็บอกเอาตําแหน่งนิยวกัแล้กันคือรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน แล้วให้น้ำมหานรุรงเนี่ยนะมาเป็นคณะบอดีบัณฑิตวิทยาลายัยก็เลยสลับกันอย่างนี้จากนั้นผู้พูดก็เป็นรองอธิการบดีจากฝ่ายวางแผนก็มาเป็นรองฝ่ายวิชาการสลับกันอย่างนี้จนกระทั่งในปี2540เมื่อผู้พู ด, ดพ้นจากตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ท่านจะคุนอารมณ์ก็ค้นจากคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยท่านจะคุนอารมณ์ก็มาเป็นรองอธิการฝ่ายวิชาการแทนผู้พูดสองสมัยตั้งแต่2 5งพเป็นต้นมาแล้วผู้พูดก็ขึ้นเป็นอธิการบดีตั้งแต่2540ก็ทํางานร่วมกันเป็นสหายทํากันมาอย่างนี้ท่านเป็นรองอธิการบดีมาสองสมัย จนถึง 2,549 ออกจากฝ่ายวิชาการตอนนั้นมหาวิทยาลัยเข้าสู่ยุค 4.0 คือต่างประเทศเต็มตัวมีสถาบันสมทบในต่างประเทศจัดวิสาขบูชาโลกเราก็ต้องการพรรคที่มีหน่วยกา้านในด้านต่างประเทศมากๆน้อยก็คือท่านพุทนรงค์นี่แหละเอามาเป็นรองฝ่ายต่างประเทศ ท่านว่าพูดภาษาอังกฤษแล้วก็กระตุน้นชาวมหาจุฬาให้พูดภาษาอังกฤษเพราะเราจะต้องออกนานาชาติแล้วท่านก็มักจะอบรมเจ้าหน้าที่ครูบาอาจารย์ว่าภาษาอังกฤษของท่านยังไม่ถึงท่านนะไปฝึกไปฝนเพิ่มเติมนะภาษาอังกฤษของท่านมันแค่สั่มใดสั่หนึ่งนะคำวลียอดทิตตอนนั้นก็เกิดขึ้นคือพอใช้นั่นแหละสั่มใดสั่หนึ่งภาษาอังกฤษยังไม่เข้าข่าน เราก็พัฒนาภาษาอังกฤษกันมาตั้งแต่ท่านเจ้าคุณนรงเป็นรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ2549ตอนนั้นท่านเป็นพระสุธีว ร, รยานเป็นพระสุทธีว ร, รยานตั้งแต่2541เป็นต้นมา41นี่ท่านเป็นพระสุทธีว ร, รยานเป็นพระราชาคณะชั้นสามัร เป็นร้อยร้องฝ่ายต่างประเทศมาจนเกษียณอายุราชการอายุห0สิบแล้วก็ท่านก็มาเป็นรอ้องท่านก็มีปารกว่าให้ผมกเกษียณแล้วนี่จะไปไหนดีอยากจะกลับบ้านเกิดอยากไปทำงานที่โคราชไปรับใช้บ้านเกิดเมืองนอนก็มีครัามากระซิบว่าท่านอธิการบดีมากระซิบพูดพูดดูท่านดูแลท่านจะคุณนรุงให้หน่อยสิทาไมอะ ท่านอยากจะกลับไปวานเกิดแต่มันไม่มีตำแหน่งไม่มีตำแหน่งบริหารคณะสงฆ์ให้ท่านตอนนี้ท่านยืดหลาออกนะนะจากวัดมหาพฤธารามหรือไหนก็ไม่ทราบจะไปเป็นเจ้าคณะตำบลที่โคราชนะตำบลอะไรก็ไม่ทราบฟังแล้วสะดุ้งเลยนะนี่ระดับเจ้าคุณรองอธิการบดีไปเป็นเจ้าคณะตำบลได้ที่ไหนเล่าไม่เอาอย่างน้อยต้องเป็นเจ้าคณะอำเภอก็ไปถามผู้หลักผู้ใหญ่ เจ้าคณะอำเภอไม่ว่างสักตำแหน่งเดียวทำยังไงดีก็บอกท่านเจ้าคุณนรงว่าหลังกเกษียณที่จะพึ่งไปนะรอหน่อยเดี๋ยวหาตำแหน่งให้ก็พอดีในปี2552มีการสับเปรี่ยนผู้บริหารตำแหน่งรองนานที่การบอดีว่างที่โครา จนขอให้ท่านไปเนร้องอัธิการบนีหัวหน้าวิทยาเขตโคราไปอย่างสมศักดิ์ศรีหน่อยอกลับไปบ้านเกิดเมืองนอนท่านก็เที่ยวไล้เทียวถึงไปไ ป, ไปมาๆไปที่โคราไปบริหารอยู่ที่นั่นเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าเอ้ผมเนี่ยยังไม่ได้ตอบแทนบุญคุณโคราบ้านเกิดเลยอยากจะฝากอะไรไว้เป็นอนุสรก็เรียนถามท่านว่าฝากอะไรละ่ะ ผมอยากจะสร้างอาคารสักหลังหนึ่งเป็นอาคารจัดการศื่อสาในระดับปริญญาโทรปริญญาเอกเรียกว่าอาคารบัณฑิตวิทยาลัยท่านอธิการสนับสนุนหน่อยเอาตกลงเราก็หางบประมาณให้เป็นงบประมาณแผ่นดินแล้วก็ผู้พูดนี้ก็ไปหวานศิลาเลิ์ให้นะเพื่อจะสร้างอาคารบัณฑิตวิทยาลัยให้กับวิทยาเขตโคราช ในยุคที่ท่านจะพุ้นรมหาราชรงนี่แหละเป็นผู้บริหารผันงบ ป, ประมาณไปให้ก็เริ่มวางศีลาเริ่มก่อสร้างมาเล่งกันสร้างใหญ่เลยเพราะตอนนั้นสุขภาพอาจารย์พระมหาราชรงเนี่ยชักนจะไม่ค่อยดีป่วยเป็นโรคไตแต่ไม่ยอมไปล้างไตเดินหน้าดำข่ำเครียดไอ้ที่หน้าดำเพราะว่าไม่ได้ล้างไตไงไตมัน เ, เรียกว่าไตมันมีปัญหานั่นแหละ แล้วก็ไม่ยอมไปล้างไตหมอให้ไปล้างไตก็ไม่ไปล้างไตลูกศิษย์ลูกหากี่คนไปพูดไปพูดไม่ยอมมันแพงขอตายอย่างนี้แหละจนกระทั้งผู้บริหารแค่นหนึ่งมานกระซินอธิการบดีบอกท่านอธิการบดีไม่มีใครพูดให้ท่านไปล้างไตได้เราต้องขอพรขอบารมีท่านอธิการบดีนี่แหละไปพูดกับท่านไปขออาราธนาท่านว่าอย่ามเพิ่งละสังขังนะั ให้ท่านไปล้านไตเพราะท่านไม่เชื่อใครอธิการบดีก็ลงทุนไปขอร้องท่านไปการาบรึไปเรียนท่านบอกท่านอาจารย์ช่วยไปล้านไตเธอโรคเสพลูกหาเป็นห่วงมหาวิไลก็เป็นห่วงและไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายค่าล้านไตกี่บาทมหาจุฬาจฯให้หมดเพราะท่านมีบุญคุณต่อมหาจุฬาอย่างล้นเหลือ บ ก, กันท่านไปอย่างนี้พอพูดอย่างนี้อธิการบดีรับปากการอย่างนี้ท่านไปหลางตัและอยู่มาได้อีกหลายปีแต่ค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดอธิการบดีนำเข้ากับกบพคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเข้าคณะกรรมการการเงินจ่ายให้ทุกครั้งแล้วท่านก็ อ, อยู่เรื่อยมาเรื่อยมาจนกระทั่งในปี2559มหาจุฬาเนี่ย ได้พอรอนจากมหาเทรสมาคมบอกว่าสามารถที่จะมีโคต้าเสนอตั้งพระราชาคณะเลือดพระราชาคณะและตั้งพระครูได้เหมือนกับฝ่ายต่างประเทศเราได้พอรอนเป็นมติบอสอเพราะผู้พูดนี้เข้าไปเป็นกรรมการมหาเทรสมาคมตั้งแต่ปี2554ก็คุยกันเรื่อยมาจนสำเร็จ และเมื่อสำเร็จแล้วเราเสนอปีแรกในปี2559ให้มหาเถรสมาคมพิจารณาเพื่อขอพระราชทานเลื่อนสมณศรรัก์ตั้งสมณศักดิ์บัญชีของมหาจุฬาโดยตกลงกับมหาเถรสมาคมว่าเลื่อนสมณศักดิ์ตั้งสมณศักดิ์ัชั้นสัญญาบัตรไม่กาหนดจานวนแต่ชั้นพระราชาคณะกาหนดปีละไม่เกินหรูป โดยที่อธิการบดีนี่แหละเป็นคนเสนอให้มหาเถรม ค, คมกำหนดว่าต้องเป็นสายบริหารสามรูปสายวิชาการคือขอสอรอสอสสตราจาร์เนี่ยสามรูปเพราะฉะนั้นเมื่อเราเสนอครั้งแรกในปี2559วันที่5้ธันวาคมฝ่ายบริหารเอาไปแล้วสามตำแหน่ง ฝ่ายวิชาการตําแหน่งวิชาการตั้งแต่ผศรศศ อ, อ, อีกสามปรากฏว่าเราไม่มีสศาสตราจารย์ที่จะเสนอเป็นเจ้าคุณเรามีรศคือรองศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ที่รูปแรกที่อวโสที่สุดก็คือรองศาสตราจารย์พระสุธีวรยนันต์ นี่ยังขานอยู่เป็นเจ้าคุณพระสุธีวรยาณตั้งแต่ 2,541 ท่านบอกว่าคงจะตายเป็นพระสุธีนี่แหละแต่2 5 1 9 5 9ท่านได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะฉันวราในวันที่5ธันวางคมที่ผ่านมาในราชทินานามว่าพระราปรวรารา์ท่านทั้งหลาย มหาจุฬาเสนอชื่ อ, อชันวราชไปเนี่ยนะสองสมรูปสามรูปรปรากฏว่าอีกสองรูปเนี่ยเปลี่ยนชื่อหมดเลยนะมหาเทระธรรมพงเปลี่ยนเข้าธรรมเนียบไม่เอาชื่อใหม่เลยเอาชื่อเก่าในธรรมเนียบหมดแล้วก็จะเอาชื่ออะไรก็ไม่รู้มาให้เจ้าคุณอารมณ์พระสุทีวรยานแต่ผู้พูดนี้เป็นกรรมการมสก็เลยอภิปรายว่าขอเถอะ นี่เป็นสมณศักดิ์สายมหาจุฬาเป็นคั้แรกอยากจะมีราชทินีนามในชั้นรากเนี่ยให้เป็นเกียร์เอ่อเป็นศักดิ์ศีเป็นประวัติศาสตร์ในชื่อเกี่ยวกับมหาจุฬาเพราะว่าในระดับสัชั้นสามหมังเนี่ยมหาเถรตกมหาเจ้มามตคมตกลงกันว่าให้ให้ใช้ชื่อรองท้ายว่าบัณฑิตเช่นพระสุทีวีรบัณฑิตอา่าพระสุทีรัตนบัณฑิตอะไรบัณฑิตบัณฑิตนี่แหละ เป็นสายมหาจุฬาแต่ฉันลาบไม่ให้ทีนี้ผู้พูดก็เลยบอกว่าขอเป็นประวัติศาสตร์สักหน่อยว่าเจ้าคุณนรงค์เนี่ยท่านเป็นรองศาสตราจารย์แล้วในมหาจุฬาเนี่ยนะในสมัยที่ท่านเจ้าคุณนรงค์ไปชี้แจงพรบครั้งแรกในปี2 5 1 8 ตอนนั้นไปกับรองในขานที่การชื่ อ, อประยุทธ์ประยุทธโตก็คือเจ้าประคุณสมเด็จนีปีนี้เป็นเจ้าประคุณสมเด็จพุทธภูสานจาร์ประยุทธโตเนี่ยท่านเป็นรองอท่านเป็นรองในขานที่การไปชี้แจงจนพลร ม, มหาจุฬาผ่านผ่านวาระที่1ในปี2118และ ผู้ที่ไปชี้แจงร่วมด้วยคือเจ้าคุณนรงค์นะ้าระหานรงซึ่งในบันทึกเนี่ยก็ยังมีปรากฏอยู่ว่าท่านร่วมไปด้วยและในพรบรที่ผ่านการพิจารณาวาระที่หนึ่งและไปตกในาวาระที่สองที่ไม่คำว่าตกคือยุคสภา เ, เลยไม่ได้เลว่าแท้งไปเนี่ยในพรบฉบับที่ผ่านหนึ่งวาระเนี่ยเขาไม่มีตำแหน่งศาสตราจารย์นะเขามีตาแหน่งสามตแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งต่งสุดเรียกว่าตำแหน่งอาจารย์ตำแหน่งสูงขึ้นมาเรียกว่าวรรจานทร์ตำแหน่งสูงสุดเรียกว่าปัจวะรรจาร์คือศาสตราจารย์โดยเทียบกับฝ่ายอังกฤษอังกฤษนั้นมีอาจารย์คือเลคเชอร์มีรองศาสตราจารย์คือรีเดอร์และมีศาสตราจารย์คือโปรเฟสเซอร์มหาจุฬาก็เลยมีปัจวรรจานทร์คือโปรเฟสเซอร์ มีวาราจา์คือรีเดอ e r คือรองศาสตราจาร ย, ader, ราราารย์แล้วก็มีอาจารย์เล็เชอร์เมื่อเรามีพรบขั้นแรกเป็นปทดีสารว่าบวราจารเนี่ยแม้ปัจจุบันเราไม่มีตำแหน่งบวราจา์ก็อยากจะมีสมณสัมภาเป็นศาสตราจารย์ให้หน่อยโดยเอากระมานหร้า์รงนี่แหละ เป็นศาสตราจารย์ตามพรบอนั้นโดยสมรสสั์ที่พระเจ้าแผ่นดินพระราชทานขอราชินานามให้ท่านเถิดว่าพระราปรวราจาร์นี่คือความหมายของสมรสสร์ของท่านถ้าเรียกในสมัยนี้คือพระราศาสตราจารย์นั่นเองท่านทั้งหลายแต่เราเลี่ยงไปใช้คำว่าพระราชปรวราจาร์ อาจารย์มหาเนรรงเนี่ยทยูต่อเราก็คงให้ท่านเป็นศาสตราจารย์พิเศษแต่ท่านมรณภาพไปแล้วโดยเป็นศาสตราจารย์โดยเรียกว่าพระโดยมีพระปรามาททยรับรองเป็นพระรป ร, ะวราวัติาจารย์ดังที่ได้กล่าวมากล่าวฟ้าและท่านได้รับะท่านได้รับเป็นพระ ร, ระวัาจารย์พระราจาร์เลือดอม ร, ส ร, ร, รัสสักหทานหวางคง ฝ่ายโคราชมาติดต่ออธิการบดีทันทีสร้างใกล้เสร็จแล้วนะรองอธิการบดีโคราชสร้างอาคารบดีวิไวลใกล้เสร็จแล้วขอนิมนท่านอธิการบดีไปไปเปิดหน่อยเพื่อให้ทันสุขภาพชั้นถกฟุตนะรงให้ท่านได้เห็นตอนแรกก็กําหนดประมาณวันที่11บเอ็ดกุมภาพันธ์เก้าสิบเอ็ดกุมภาพันธ์เราไปกันนะเสร็จแล้วไม่รู้ติดอะไรก็เลยเป็น18บแปดกุมภาพันธ์ ปรากฏว่าไม่ว่าสิเ็กุมภาพันธ์หรือส8บแปดกุมภาพันธ์ท่านจะคุณอรงณ์ไปไม่ได้เพราะว่าพระราชพวรราจเนี่ยท่านมรณภาพเสียก่อนวันที่สสานะสสมราท่า น, ท, านท่านมรณภาพวันที่ส2บสองมกราคมที่ผ่านมา ในเดือนมกราคมก็แล้วกันว่าท่านบวรณภาพเสียก่อนเมื่อท่านบวรณภาพแล้วเราจึงไปเปิดอาคารบัณฑิตวิทยาลัยที่ท่านเพียนสร้างในวันที่18บแปดกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยเจ้าประุณสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามไปเป็นประธานอาธิการตันนี้ไปแสดงปาตกระฐาน่อนที่จะเปิดและวันนี้วันพระราชทานเพลิงศพ ท่านเจ้าคุณพระราบวราชา์เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุท ธ, ธาจารย์เจ้าคณะใหญ่หมุนตะวันออกวัดไตรมิตรวิทยาลามมาเป็นประธานในพิธีพระราชทานเริินศพอาธิการบดีก็มาแสดงปาตกระถาท ร, รมกระถาไว้อาลายัยมาจนณักปบันนี้ก็เพื่อที่จะได้ลำงลึกนึกถึงคุณูปการ ของท่านเจา้าพุนพระราชปวราจาร์จันเจ้าคณะใหญ่มาเป็นประธานเพราะคำนึงถึงว่าท่านพร ะ, ร า, ร, ะราชภรวราจาร์นั้นยามมีชีวิตอยู่ได้ดารงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสิบเอเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาพฤทธาราม อธิการบดีมาแสดงปาตการฐานตรงนี้เพราะล้ลำลึกนึกถึงว่าท่านยมุลพระาราชาวาราจาร์เรียนจบพุทธศาสตรบัณฑิตมามาสอนมหาจุฬาบริหารมหาจุฬาในหลายตําแหน่งเป็นผ อ, อ, อสองตำแหน่งเป็นคณะบดีห้าสองตำแหน่งเป็นรองอธิการบดีหําแหน่งใครในมหาจุฬาทําได้อย่างนี้บ้าง เป็นขอ อ, อสองตำแหน่งคือเป็นขออในตำแหน่งวิทยาลัยครูาศาสนศึกษา1นึ่ตำแหน่งผู้อันดยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ในปี2อ2 7อีก1นึ่ตำแหน่งเป็นคณะบดีสองครั้งคณะบดีคณะพุทธศาสตร์คณะบดีบัณฑิตวิทยาลายัยเป็นรองอธิการบดี 5, 5้หครั้งแต่ห้าหาตำแหน่ง และไม่ใช่ห้าครั้งเนะีรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตรองอธิการบดีฝ่ายประชาสัพันธ์และเผยแพร่รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ4ีรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศบานท่านนึกว่าหมดแล้วยังเป็นรองอธิการบดีวิทยเขตนครราชสีมาอันที่ห้านะโอ้โหจะมีใครทําได้ขนาดนี้นี่แหละท่านจึงเป็นทัยะะนยมณี ที่ประดับไว้ในมหาจุฬาและอัญมณีอย่างนี้มหาจุฬาไม่เดเพียงง่ายๆไม่ได้เกิดบ่อยๆดังคำกรนที่ว่าเพชรมณีมิใช่มชีทุกผูผาติศนาใช่หาได้ทุกไพรสนช้างเผือกใช่เลือดได้ทุกตําบุเมธีชน ใช่มีทวดทุกครัวเรือนมีเมธีชนพระราชบวารณาจารใช่จะมีทุกขนทุกแข่งแต่ตระกูลเชิดสูงเหนินให้กําเนิดเมธีชนนี้วัดมหาพฤทธารามเจรนัยเมธีชนนี้มหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณ์และวลยัยเจรณาเจรนาเยเมธีชนนี้ให้ ระดับอัญมณีไว้ในพระศาสนาในพระอารามในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยบัดนี้ท่านจากเราไปแล้วเทียงแต่ร่างกายแต่ผลงานยังอยู่ทำให้นึกถึงทำให้นึกถึงบทกวีของลองเซโลสเป็นภาษาอัิกซึ่งมีความว่า Lives of great men or ย remind us we can make our life sublime and departing leave behind us the foot footprints on the sand of time ราช ก, การที่6รัฐบานสมเด็จพระมหากิรรายเจา้าทรงแปลเป็นภาษาไทยไว้พร้อพริ้งว่าประวัติวีร บ, บุรุษสเตือนใจเรานะ ว่าอาจักยันชนเลิ่นได้แลงยานจักบัรยทิ้งซึ่งรอยบาทเยียกแน่นไว้แทบพื้นทรายสมัยพระรปวป ร, วราจารณรงค์จิตสมพโนเชื่อสูงเดินจากเราไปประทับรอยบาทเยียกไว้แทบพื้นทรายแห่งประวัติศาสตร์ของพระาศาสนา พระมะพระอารามวัดมหาพฤธารามและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยดาดันได้พันธนามาพอสมบวร์แก่เวลาในท้ายที่สุดนี้ขอคุณพระศีรษะธนรัยและบุญโุสลที่พวกเราได้บำเพ็งตั้งแต่ต้นมาจนับัดนี้วันนี้ ขอจงมารวมกันเป็นตาบาดเป็นเดชะเป็นพลาวะปัจจัยอุทิศถวายเป็นส่วนบุษรแด่ท่านเจ้าคุณพระราชบวร า, าราชขอได้โปรดอนุโมทนาบุญเพื่อเพิ่มบารมีธรรมของพระคุณท่านยิ่งยิ่งขึ้นไปในซ้ำปรายภพสมดังเกตนาปารกของเราท่านทั้งหลายทุกประการเทิด